เท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ทางทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาฆบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์อันมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสาวันพระจันทร์เต็มดวง 2. วันที่มีพระอาหารหันตสาวก1250รรูปได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้ได้นัดหมายกันเอาไว้ก่อน 3. พระอาหารหันต์ทั้ง1250รูปนี้เป็นผู้ที่พระบรมศาสดาได้ทรงประทานการบวชให้และสเป็นวันที่พระบรมศาสดาได้ทรงประทานพระโอวาทปฏิโมก ค, คือ คำสอนอันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาให้แก่พราสาวงทั้งหลายไว้เพื่อจะได้นำเอาไปเผยแผ่ให้แก่บุคคลอื่นต่อไปพวกเราจะได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้ เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังถูกความทุกข์ต่างๆลุ่มล้อมเหยียบย่ำทำลายอยู่ถ้าไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดได้เข้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการรักษ า, รกษาโรคใจของพวกเรา พวกเราก็ยังจะต้องถูกโลคของความทุกข์ต่างๆเหยียบย่ำทําลายจิตใจไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกายของเราตายไปพวกเราก็ต้องไปเกิดใหม่ตามอํานาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ตามอนาจของบาปบุญที่เราได้ทำเอาไว้และทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องไปพบกับความทุกข์ต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพลาดพาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆความทุกข์เหล่านี้นั้นจะไม่มีวันหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนาถึงวิธีการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้ดังนั้นทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวันสำคัญสำคัญปรากฏขึ้นอยู่เป็นระยะระยะปีหนึ่งก็มีอยู่สาม วันด้วยการที่วันเป็นวันสำคัญคือวันมาฆบูชาในวันนี้วันวิสาขาบูชาในวันเพ็ญเดือนหกและวันอาสาหาบูชาในวันเพ็ญเดือนแซึ่งมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้ความรู้และจะได้ มีเครื่องนำทางพาให้เราดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญไปสู่ความสิ้นทุกข์ทั้งหลายได้อย่างวันนี้เราก็ได้ยินถึงพระ อ, อรหันต์ห2 5 0รรูปคำว่าพระ อ, อรหันต์นี้คือผู้ที่ได้ปฏิบัติตนชำระ ใจของตนจนสะอาดบริรรสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากเช่นเช่นกามาตัณหาความอยากในกลางภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหมดสิ้นไปจากใจทําให้ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจแม้นั่งกายจะแก่จ ะ, จะเจ็บจะเจ็บจะตายหรือจะพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆไปหรือบุคคลต่างๆไปจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของพระอรหันต์เหล่านี้เลยเพราะใจของท่านไม่มีความยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆไม่มีความ กลัวไม่มีความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์หลังนี้ที่พวกเราทั้งหล ย, ยังมีความหวาดกลัวมีความทุกขกันอยู่ก็เพราะว่าใจของพวกเรานั้นยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเรายังมีความโลภความโกรธความหลง ยังมีความอยากต่างๆอยู่เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจึงทำให้ใจของเรานี้มีความว้าวุ่นขุนบัวเวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแต่พระอาหารหันต์นี้ใจของท่านสะอาด บ, บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย และเรื่องต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะมอบให้กับตัวเราได้เหมือนกับพระอรหันตสาวงทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเรายังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอยากต่างๆอยู่ แต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็เห็นถึงโทษของความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องว้าวุ่นขุน ม, มัวต้องกลัวต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนั้นมันไม่ได้อยู่ภาย ใต้ความอยากของพวกเรามันมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมีการเสื่อมไปอยู่เรื่อยๆและมีการหมดไปอยู่เรื่อยๆเย mm hmm. ช่นร่างกายของพวกเราทุกคนมันมีความแก่ไปเรื่อย mm hmm. ๆมีความเจ็บไข้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็จะมีความตายทำมาต่อให้เราอยากอย่างไร เราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่สิ่งที่เรายับยั้งได้ก็คือความทุกข์ภายในใจของเราถ้าเรายับยั้งความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเลย เพราะมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็1250รูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาคระ บ, บูชานี้ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถดับความอยากต่างๆได้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาปฏิบัติ พระบุทรเจ้าทรงสอนอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ละการกระทำบาปทั้งปวง 3. ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์และวิธีที่จะทำสิ่งเหล่านี้ท่านก็ทรสงสอนไว้เช่นการทำความดีก็คือให้เราทำประโยชน์ ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นคารวาดก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เวลาที่เราทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นใจของเราจะได้รับความสุขใจของเราจะได้รับความสงบถ้าเราทำไปเรื่อย เราก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปส่วนการไม่ให้เราทาบาป ก, ก็ให้พวกเรารักษาศีลห้าดีไว้นั่นเองดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานขอศีลห้าไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการละการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ มีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัวเราสังเกตดูก็ได้เวลาที่เราทำอะไรไม่ดีทำบาปเราจะไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราจะไม่รู้สึกอะไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาที่เราต้องพูดปดเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราต้องลักทรัพย์เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจ เวลาเราไปประพฤติผิดประเวณีเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะมีความไม่สบายใจดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขสบายไม่มีความทุกข์ความกังวลใจเราก็ต้องหักห้ามตัวเราอย่าไปทําบาปถึงแม้สิ่งที่เราจะได้มานั้น จะมีคุณค่าราคาอย่างไรก็ตามแต่ก็จะไม่มีคุณค่าเท่ากับการไม่ทำบาปเพราะสิ่งที่เราได้มานั้นไม่สามารถทำให้ใจของเราสบายได้จะทำให้ใจของเรามีความว้าวุ่นขุนบัวอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ใจเราก็ต้องอย่าไปทำบาป และประการสุดท้ายท่านสอนให้เราชำระใจเพราะถ้าใจของเรายังไม่สะอาดบริสุทธิ์ยังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่ภายในใจใจของเราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่และเมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลของบุญของบาปที่เราได้ทำไว้ถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปเกิดในที่ต่ำเรียกว่าอบาย อบายก็คือที่เกิดของผู้ที่ทำบาปเช่นไปเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเบรดไปตกนรกนี่คือสถานที่ไปของผู้ที่ทำบาปส่วนที่ผู้ผู้ที่ทำบุญทำความดีตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหไปสวรรค์แล้วถ้าได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงท่านไม่ต้องกลับมาเกิดใหมเหมือนพวกเราไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจวิตกกังวลหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปแต่การไม่กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหน พอใจของเราหรือใจของพ่อพระ เ, เจ้านี้เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่สูญหายไม่ดับไปเพียงแต่ว่าจะไปเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่การไปเกิดใหม่นี้ถ้าเปรียบเทียบ ก, ก็เหมือนกับการไปซื้อรถยนต์คันใหม่มาขับนั่นเองพอเรามีรถแล้วเราก็ต้องมีภาระกับการดูแลรักษารถยนต์และต้องมา เสี่ยงภัยกับการขับอยู่บนท้องถนนดีไม่ดีก็อาจจะต้องประสบอุบัติเหตุและในที่สุดไม่นานรถของเราก็ต้องชำรุดทรุดโทรมและไม่สามารถใช้ได้ต่อไปร่างกายของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจของพวกเราก็เป็นเหมือนคนขับเมื่อเราคนขับมีร่างกาย เราก็ต้องดูแลร่างกายเราก็ต้องทุกข์กังวลกับการเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องหาอาหารหาสิ่งจำเป็นมาดูแลรักษาร่างกายแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังจะต้องมาคอยปกป้องรักษาร่างกายนี้ไม่ให้ถูกภัยต่างๆมาทำร้ายมาทำลายและนอกจากนั้นเราก็ยังต้องพบกับ ความแก่ความเสื่อมของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความตายของร่างกายไปนในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราต้องมีความทุกข์ความว้าหุ่นขุนบัวความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่ได้ชำระ ความโลภความโกรธความหลงและความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปถ้าเราชำระได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่และเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเราจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆอยู่ในใจของเรา พระนิพพานนี้จึงเปรียบเป็นเหมือนบ้านหรือปราสาทราชวังที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่ให้ความสุขกับเราอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปต่างกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขต่างๆที่เรามีกันในชาตินี้จากการที่เราได้มีร่างกายอันนี้ พอร่างกายเราเสื่อมไปเจ็บไายได้ป่วยเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆของเราได้อีกต่อไปและเมื่อเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติต่างๆ ต, ติดตัวกับเราไปได้เวลาเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปหาเงินหาทองใหม่เหมือนกับที่เราทำกันอยู่ในชาตินี้ การเวนว่าตายเกิดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้เราปฏิบัติกันคือทำบุญให้ท า, ก น, า, น, กานกันอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ปฏิบัติธรรมชำระใจให้สะอาด วิธีชำระใจนี้ท่านมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าทำใจให้สงบเรียกว่าแปลว่าการทำสมาธิขั้นตอนที่สองคือการสอนใจให้ฉลาดให้ไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราสามารถทำสมาธิได้เราสามารถสอนใจ ให้เห็นถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขอย่างที่เราคิดกันเวลาพวกเราเห็นกองเงินกองทองเรานึกว่าเ ป, เป็นกองของความสุขแต่ความจริงมันเป็นกองทุกข์เพราะเวลาที่เรามีเงินทองแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาและเราจะต้องเ ป, เป็นเป้าของคนที่เขาไม่มีเงินมีทองที่อยากจะมา ชิงมาแย่งกับสมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะถูกฆ่าตายได้จากการที่เรามีเงินทองมากๆนี่เองคนรวยจึงมักจะต้องจ้างรอปภมาคอยคุ้มครองเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ไปอย่างสะดวกเหมือนคนที่ไม่มีเงินอย่างขอทานนี่นอนที่ไหนก็ไม่มีใครเข้ามาคิดทาร้าย จะเดินไปที่ไหนในยามข้ามยามวิการตามลําพังก็จะไม่มีใครมาทําร้ายเพราะไม่มีเงินทองมาให้เขานั่นเองแต่คนที่มีเงินทองนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องคอยหวาดระแวงต้องคอยดูดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีใครจะมาทําร้ายตนเองหรือไม่เพราะว่ามีเงินทองนี่เอง ดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาสักหน่อยเราจะเห็นว่าการมีเงินทองเกินความจำเป็นนี้เป็นภัยมากกว่าเป็นคุณนะเพราะว่ามีมากไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมหรอกเพราะว่าร่างกายของเราก็เพียงต้องการสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่เท่านั้นถ้ามีบ้านอยู่แล้วจะมีอีกสองหลังสามหลังก็ไม่ไม่มีความหมายอะไร วาเวลาเรานอนแล้วก็นอนได้ทีละหลังเท่านั้นมีรถสิบคันก็เท่านั้นเพราะเราใช้ได้ทีละคันดังนั้นการมีอะไรมากๆนั้นเกินความจําเป็นไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่กลับจะทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นและความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็แค่อายุไขของร่างกายอันนี้เท่านั้น พอร่างกายอันนี้จบตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเราคือใจที่เป็นคนขับร่างกายนี้ก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาใหม่แล้วถ้าไปทำบาปทำกรรมมาก็ต้องไปใช้กรรมในอบ า, ายแทนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องไปตกนรกก่อนไปเป็นเปรตก่อนแล้วไปเป็นเดรัจฉานก่อน จนกว่ากรรมที่ได้ทำไว้บาปที่ได้กรรมไว้หมดกไปถึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่แย่กว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบส2มสองมีอายุสัน้นฐานะการเงินการทองไม่ดีเป็นต้นนี่เป็นอนิสงส์จากการทาบาปแต่ถ้าได้ทาบุญ ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมพอหมดบุญแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าชาติก่อนมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมมีอายุที่ยืนยาวนานกว่าเดิมแต่ก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ดีจนกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมนั่งทําจิตใจให้สงบ แล้วสอนใจให้รู้ว่าการมาเกิดการมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเหล่านี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้มาเกิดในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ทรงเห็นว่าถึงแม้จะได้เป็นพระราชโอรสเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดี พระ อ, องค์จึงตัดสินใจไม่หาความสุขแบบนี้ออกไปหาวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พระ อ, องค์จึงออกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวนพังเพราะการจะทําใจให้สงบได้นี้จะต้องอยู่ไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใจก็จะมัววิตกังวล จะคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำให้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้แล้วถ้าใจไม่สงบก็จะไม่สามารถสอนใจให้เห็นถึงความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ดังนั้นจึงต้องออกไปหาที่สงบสงดวิเวกเพื่อควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่คิดได้แล้วก็จะสงบ พอสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เคยได้มีกันความสุขจากลาบยศสารเสริญจากทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะไม่มีไมจ่จะไม่ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ พ, พอพบกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหน อยู่ที่ใจเหล่านี้เองอยู่ที่ใจของเราที่สงบและการที่เราจะสงบได้อย่างถาวรเราก็ต้องคอยสอนใจของเราไม่ให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องสอนต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีเจริญมีเสื่อมและมีการจากเราไปได้ ถ้าเราสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปความโลภต่างๆก็จะหมดไปใจของเราก็จะสะอาดขึ้นมาเมื่อสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายกำลังอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองเราไม่สามารถติดต่อกับท่านได้ท่านไม่สามารถติดต่อกับเราได้แต่ใจของท่านตอนนี้เป็นใจที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังต้องมีความทุกข์และมีความสุขสลับกันไปอยู่เรื่อยๆบางวันก็ทุกข์บางวันก็สุขแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดลง เวลามีความสุขก็ดีอยู่แต่วันไหนพอมีความทุกข์แล้ววันนั้นจะรู้สึกทรมานใจบางครั้งถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปดังนั้นขอให้เราพยายามมองเห็นโทษของการมาเกิดของการที่ยังจะต้องทุกทรมานกับเรื่องราวต่างๆแล้วพยายามน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติคือทาความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ละบาปทั้งปวงและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำได้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันมาค้าบูชาวันสำคัญของพระพุทธศาสนานี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไกรแล ะ, และมุลกุสมที่ท่านได้มาบรรเปนกันในวันนี้